จเจรญพรน้อมสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8ดมกราคมพุทธศักราช5 5 5เป็นวันพระวันธรมรมสวัสวันฝังธรรมวันที่สาธุชน ได้ตั้งใจมาทำบุญมาละบาและมาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และประกาศสอนพระธรรมคำสอนให้แก่สรรโลกก็จะทรงสอนเหมือนกันหมด คือสอนให้ทำบุญให้ละบาปและให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการกระทำทั้งสามส่วนนี้จะนำพาจิตใจให้ไปเกิดในสุขคติและให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุดดังนั้นพวกเราถ้าได้ัปฏิบัติ 3ข้อนี้ก็ถือว่าเราได้ดำเนินชีวิตของเราไปในแนวทางที่ถูกที่ดีที่เจริญที่ห่างไกลจากความทุกข์ที่ใกล้ความสุขเข้าไปเรื่อยๆใกล้ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อยคลายเข้าไปเรื่อยๆขอให้พวกเรามีศรัทธา เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสรู้ด้วยพระ อ, องค์เองทรงรู้ทรงเห็นกฎแห่งกรรทรงรู้ทรงเห็นว่าสันวโลกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะถูกอำนาจของความมืดบอดคือโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ ว่าตนนั้นมาอย่างไรไปอย่างไรต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าที่สามารถที่จะเห็นใจของตนได้เห็นใจของแต่ละคนได้แล้วรู้ว่าใจนี้ไปอย่างไรมาอย่างไรและจะทำให้ใจนี้ไปในทิศทางที่ดีได้อย่างไร พอมีพระพุทธเจ้ามาทมตัดสร้แล้วก็เป็นบุญของสัตโลกอย่างมหาศาลอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนพวกเราก็จะไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะใจของเรานั้นจะถูกความมืดบอด คือความหลงโมหะและอวิชชาหลอกล่อให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ดังที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมานับจำนวนไม่ทั่วแล้วแต่พวกเราก็ไม่รู้ว่าเราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาเพราะเราคิดว่าหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเราก็จะหมดสภาพไป แต่ความจริงตัวเราที่แท้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราคือใจได้มาเป็นสมบัติครอบครองแล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะทำไปตามอำนาจของความมืดบอดคือความหลง ความหลงจะหลอกให้เราหาความสุขในกองทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนความสุขในกองทุกข์นี้คืออะไรก็คือลาบยนสันละเสริญความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายที่พวกเราพยายามแสวงหาพยายามสะสมพยายามสร้สางให้กับตัวเรา ในขณะที่เราได้รับความสุขจากลาบยศสรรเสริญและจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เราก็กําลังเดินเข้าสู่ความทุกข์เพราะว่าธรรมชาติของลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมีมามีไปมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อม เวลาที่เราเจริญลาบยศสรรเสริญเจริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็มีความสุขใจกันแต่เวลาที่เราเสื่อมลาบเสื่อมยศต้องพบกับคํานินทาคลหาเสื่อมความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพไปตอนนั้นเราก็จะเศร้าโศกเสียใจนั่นเป็นเพราะว่าเราวิ่งไปหาขอเอง ความจริงถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ได้ทั้งสองส่วนความสุขเราก็ไม่ได้ความทุกเราก็ไม่ได้แต่ความสุขนี้มันน้อยกว่าความทุกและมันมาทีหลังมาก่อนพอมันมาแล้วเวลาความทุกมาแทนที่ความสุขต่างๆที่เคยได้มานั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถ ย้ำย้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเสือ่อมเกิดขึ้นจากการสูญเสียลาบยศสารเสริญสูงทางตาหูจมูกิ่นงกายไปได้นี่คือความทุกข์ที่พวกเราเดินเข้าหากันอย่างไม่สะทกสะทานเพราะคิดว่าเป็นความสุขนั่นเองเป็นเหมือนกับปลาที่ตะคุกเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ โดยไม่รู้ว่าเบ็ดจะจะเกี่ยวปากในลำดับต่อไปนี่คือความไม่รู้ของพวกเราความมืดบ่อยของพวกเราหลอกให้พวกเราต้องไปเป็นเหมือนปลาที่ตึดตะบเหยื่อที่ปลายเบ็ดแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเอาไว้ตะขอเบ็ด น, นี้ก็คือความทุกข์ใจ ที่พวกเราทุกกันอยู่ทุกวันนี้เราทุกกับเรื่องอะไรถ้าไม่ทุกกับเรื่องราบยศสรรเสริญไมไ่ทุกกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระนั่นเพราะว่าเราไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเองแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้จักความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหน เพราะพระพุทธเจ้าได้สมพบแล้วเป็นความสุขที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขนี้ก็คือความสุขภายในใจของเราความสุขที่ได้รับจากการทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวร ที่ไม่เสื่อมไปจากเราและไม่มีใครสามารถมาแย่งเอาไปได้ความสุขทางลาบรถสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดผลพระนี้เป็นความสุขที่ไม่อยู่กับเราไปเสมออยู่บ้างบางเวลาบางเวลาก็ไปบางทีก็มีคนมาแย่งเอาไปเช่นสมบัติเงินทอง บางทีก็ถูกคนมาหลอกเอาไปบางคนกดบางทีก็ถูกเขาโกงไปบางทีก็ถูกเขามาปล้อนออกไปบางทีเราก็ทําหล่นหายไปบางทีเราก็ใช้จนหมดไม่มีเหลืออยู่พอไม่มีเงินทองเหลืออยู่แล้วเป็นอย่างไรก็เกิดความทุกข์ใจจนบางทีไม่อยากจะอยู่ต่อไปเพราะว่า พึ่งเงินทองเป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งเป็นที่เป็นที่ให้ความสุขพอไม่มีเงินทองแล้วก็เกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างมากมายจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปนี่คือความหลงพาให้เราไปในทางนี้แต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระอริยสงสาวก ท่านจะบอกทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็คือการสร้างความสุขภายในใจด้วยการทําบุญละบาปและชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มากระทํากันในวันนี้ขอให้พวกเราทําให้มากขึ้นมีเวลาว่างเมื่อไรขอให้เรามาทําบุญกันให้มากขึ้น ถ้ามาวัดไม่ได้ก็ให้ทำที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้เพราะการทำบุญละบาทการชําระใจให้สะอาดบริสุทธินี้ทำที่ใจของเราไม่ได้ทำที่วัดไม่ได้ทำที่บ้านเพียงแต่สถานที่นั้นเป็นที่เอื้ออำนวยการกระทำต่างๆเหล่านี้ถ้ามาวัดก็จะทำง่ายกว่าอยู่ที่บ้านเพราะ เวลามาที่วัดจะมีคนที่ทำเหมือนกันมีคนมาทำบุญมาละบาปมาละชาระใจให้สะอาดก็จะช่วยเป็นกำลังใจกันแต่ถ้าทำที่บ้านถ้าอยู่กันหลายคนบางคนเขาก็ไม่ทำบุญเขาไม่ละบาปเขาไม่ชาระใจของเขาให้สะอาดมันก็ทำให้เราเกิดความท้อแท้ เพราะบางทีเขาการกระทําของเขามันก็มายั่วยวนกวนใจทําให้เราไม่อยากจะทําดังนั้นถ้าเรามีกําลังใจที่สามารถทําได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่จําเป็นจะต้องมาวัดก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่มีกําลังใจมากพอเราก็ควรหวนมาวัดกัน ในเมืองต้นก็มาทำมาเช้าเย็นกลับอย่างวันนี้มาทำบุญเสร็จรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปต่อไปเราก็มาค้างคืนกันบ้างก็ได้กลับมาอยู่วัดเลยเพื่อเราจะได้ชำระใจให้สะอาดเพราะตอนเช้ามานี้จะได้ทำเพียงแต่ทำบุญและละบาปแต่ยังจะไม่ได้ ชำระใจให้สะอาดการชำระใจให้สะอาดนี้จำเป็นจะต้องถือศีลแปดตัดความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะไปเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัว ด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีสีสันสดสวยงดงามไม่ใช้เครื่องสำอางไม่ใช้น้ำหอมต่างๆไม่หาความสุขจากการบันเทิงเช่นการดูหนังฟังเพลงและไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปถ้านอนบนฟูกหนาๆจะนอนหลับนานเกินไปคือหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อน พอตื่นขึ้นมาแล้วใจก็ยังจะไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งปูผ้าหรือปูเสือ่อเวลาร่างกายได้พักผ่อนเพียงพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาและใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเนื่องจากนอนบนพื้นแข็งมันไม่สบายเหมือนนอนบนฟูก แต่เราไม่ต้องการนอนมากเพราะว่าเราต้องการเอาเวลามาชำระใจของเราให้สะอาดเพื่อให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการทำบุญต่อมากต่อการละบาปการชำระใจให้สะอาดนี้จะได้ความสุขมากกว่าการทำบุญจะได้ความสุขมากกว่าการละบาป แต่ก่อนที่จะมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ต้องผ่านการทำบุญละบาสมาก่อนเป็นเหมือนช่วยช่วยสร้างความสุขพื้นฐานให้แก่ใจก่อนทำบุญแล้วก็จะมีความสุขพอละ บ, บาบก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นพอมีความสุขมากแล้วทีนี้ก็จะสามารถมาชำระใจ เพื่อให้ได้ความสุขที่มากไปกว่าการทาบุญละบาปเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติเหมือนกับการเรียนหนังสือขั้นตอนต้องมีชั้นประถมชั้นมัธยมและชั้นอุดมศึกษาการทาบุญนี้ก็เป็นเหมือนอยู่ชั้นประถมส่วนการละบาปคือการรักษาศีล ก็เป็นเหมือนอยู่ชั้นมัธยมส่วนการชำระใจให้สะอาดนี้ก็เหมือนอยู่ในชั้นอุดมศึกษาคือในระดับมหาวิทยาลัยระดับเปริญญาตรีโตเองเป็นเป็นขั้นบันไดที่เราไม่สามารถที่จะข้ามไปได้เพราะถ้าเราข้ามขั้นแล้วเราจะไม่ก้าวหน้านั่นเอง เราจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เพราะเราไม่มีกำลังพอเหมือนเด็กที่ไม่ได้เรียนชั้นประถมแล้วไปเรียนชั้นมัธยมก็ไม่สามารถที่จะสอบผ่านได้ก็จะต้องเรียนตกซ้ำชั้นไปอยู่ไปเรื่อยๆดังนั้นขั้นต้นคือการทำบุญคือการเสียสละ มีข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินไปมีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ก็ควรจะนำเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นผู้ที่จะรับนี้ก็เป็นได้ทุกทุกคนที่เดือดร้อนจะเป็นพระภิกษุสอ์พระภิกษุสา ม, มเณร หรือจะเป็นคารวาดญาติโยมก็ได้เป็นบุญเหมือนกันทําให้เกิดความสุขใจเหมือนกันที่พวกเราได้รับการออสอนว่าให้ทําบุญกับพระเพราะจะได้บุญมากกว่าทําบุญกับคารวะญาติโยมนี้ก็หมายความว่านอกจากจะได้บุญจากการให้แล้วยังจะได้บุญอีกอย่างหนึ่ง เป็นของแถมคือได้มาฟังเทศฟังธรรมนะเหมือนกับไปเติมน้ำมันรถเติมน้ำมันรถแล้วเขาแจกสบู่ยาสีฟันมาให้เราอีกนะถ้าไปทาบุญกับคนธรรมดาก็จะได้เพียงแต่น้ำมันจะไม่ได้ของแจกคือจะไม่ได้ครูปังไม่ได้ยาสีฟันไม่ได้แปรงสีฟันมาเพิ่ม แต่ท่านทำบุญกับพระแล้วเราก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ญาติโยมได้มาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนี้และพระที่จะแสดงทําให้กับเราฟังได้นี้ก็มีความรู้ความสามารถต่างกันมีตั้งแต่ระดับพระธรรมดาพระที่มีศีลแต่พระยังไม่มีสมาธิ จนขึ้นไปถึงพระที่มีสมาธิมีปัญญาระดับต่างๆจนถึงปัญญาระดับของพ่อพุทธเจ้าดังนั้นเขาจึงมีการเปรียบเทียบว่าการทำบุญกับพระผู้ทรงศีลก็เหมือนได้ร้อยบาททำบุญกับพระผู้ที่มีสมาธิก็จะได้พันบาททำบุญกับพระที่เป็นพระอริยเจ้ามีปัญญา ท่านโสดาบันก็จะได้หมื่นบาทขั้นสกิดาคามีก็จะได้แสนบาทท่านอนาคามีก็จะได้ลาา้านบาทขั้นอรหันต์ก็จะได้สิบลา้านขั้นพระพุทธเจ้าก็จะได้ร้อยล้านเพราะความรู้ของท่านนี้มีความต่างกันความรู้ที่ท่านจะให้เรานี้มีคุณค่าต่างกันถ้าได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้า แล้วได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้านี้มีความรู้มากและมีความสามารถสามารถสอนให้คนที่ฟังนี้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยดังที่ปรากฏขึ้นในสมัยพระพุทธกาลมีผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า แล้วได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาเป็นจำนวนมากมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงแสดงทําให้แก่นักบวชในลัฐที่อื่นหลังมีอยู่ห้าร้อยลูกด้วยกันพอมาฟังเทศฟังธรรมแล้วทรงสอนเรื่องของการทําบุญละบาปเรื่องของการชําระใจให้สะอาดบอยสุดพระทั้งห้าร้อยลูกนั้นก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาในขณะที่ฟังเทศ ในขณะนั้นเลยนี่คือความหมายของว่าถ้าเลือกทำบุญได้ก็ให้เลือกทำกับพระพุทธเจ้าถ้าเลือกพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ทำกับพระอาหารหันต์ถ้าพระอาหารหันต์ไม่มีก็ทำกับพระอนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันตามลาดับนึงไป ถ้าหาพระอริยะไม่ได้ก็ไปทำกับพระที่มีสมาธิท่านก็จะสอนให้เราชำระใจได้ในระดับสมาธิถ้าไม่มีพระในระดับสมาธิก็ต้องทำกับพระในระดับศีลผู้ที่รักษาผู้ที่มีแข้ง ค, ค, คัดต่อพระธรรมวินัย อ, อย่างน้อยท่านก็จะสอนให้เรารักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี่คือความหมายของการทาบุญ ที่ให้เลือกคนทรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องของความจำเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเราก็ไม่ควรเลือกถ้าเราเห็นรู้ว่าเจอใครที่เขาทุกข์เดือดร้อนเราก็ควรที่จะช่วยเหลือใขรอย่าไปคิดว่าทาบุญกับเขาแล้วไม่ได้บุญได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ธรรมะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมท่านั้นเอง ได้บุญเหมือนกับเอากับข้าวกับปลามาถวายพระแล้วไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจะได้เหมือนกันคือได้ความสุขใจส่วนความสุขใจนี้จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ว่าเราให้ด้วยเจยตนาที่บริสุทธิ์หรือไม่ถ้าเราให้โดยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับเลย ไม่ต้องการแม้แต่ความขอบหกขอบใจให้พ่ออยากจะช่วยเหลือเขาให้พ่อสงสารให้พ่อเมตตาถ้าให้อย่างนี้ใจก็จะมีความสุขมากแต่ถ้าให้พ่อต้องการสิ่งตอบแทนก็จะไม่ได้รับความสุขหรืออาจจะได้รับความทุกข์กลับมาก็ได้เพราะถ้าให้แล้วไม่ได้สิ่งตอบแทนกลับมา อยากให้เขาขอบอกขอบใจสำนึกในบุญคุณแต่พอให้เขาไปแล้วเขากลับไม่ยินดีเขาไม่ขอบอกขอบใจเอาของที่เราให้ไปนี่โยนทิ้งไปอย่างนี้เราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เพื่อให้เป็นบุญเพื่อให้เป็นความสุขใจเราต้องให้แบบปล่อยวาง ให้ไปแล้วก็ไม่ไปซับไม่ไปติดตามไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเขาจะเอาไปใช้เองเอาไปให้คนอื่นหรือเขาจะเอ า, เอาไปทิ้งมันก็เป็นของของเขาแล้วไม่ใช่ของของเราเราได้บุญแล้วคือการให้เขาเพราะเราเห็นว่าเขาเดือดร้อนแต่ถ้าเรารู้ว่าหลังจากที่เขารับของของเราไปแล้ว เขาเอาไปทิ้งเขาไม่ต้องการต่อไปเราก็อย่าไปให้เขาเพราะเราคิดว่าเขาเดือดร้อนต้องการสิ่งนี้แต่เขาไม่ต้องการสิ่งนี้เขาต้องการอีกสิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นโทษกับเขาเช่นเขาไม่ต้องการอาหารเขาต้องการเงินทองเพื่อที่จะเอาไปดื่มสุราหรือเอาไปเล่นการพนันอย่างนี้เราก็ไม่ควรให้เขาไป ถ้าให้อาหารแล้วเขาไม่รับประทานก็โยนทิ้งไปของเงินอยากจะเอาเงินไปใช้ถ้ารู้ว่าเอาไปซื้อของที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเขาเองเราก็อย่าไปให้เขา <Yeah. S 1> เราต้องกล้าปฏิเสธต้องรู้ว่าการกระทําของเรานี้ไม่ได้ส่งเสริมให้เขาได้รับความสุขความเจริญแต่เป็นการส่งเสริมให้เขาได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อนความเสื่อมเสียอย่างนั้นเราก็อยากไปให้แต่ถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆไม่มีอาหารรับประทานเราก็หาอาหารมาให้เช่นในช่วงที่มีน้าท่วมคนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอาหารรับประทานเราก็ต้องเอาพวกข้าวของที่จาเป็นต่อการครองชีพเอาไปแจกจ่ายให้แก่เขา และเราก็ไม่หวังอะไรจากการที่เราเอาไปช่วยเขาเพราะเราต้องการบุญคือความสุขใจนี่คือเรื่องของการทําบุญทําได้กับทุกบุคคลที่ปรารถนาหรือต้องการความช่วยเหลือทํากับวัดก็ได้บางทีวัดก็ต้องการความช่วยเหลือเช่นบางทีอาคารถาวเรวัตถุ เกิดชำรุดสุดซูดต้องมีการบรูรณะซ่อมแซงเราก็ร่วมทํากันร่วมทำกันทำบุญไปหรือต้องสร้างอะไรต่างๆที่จําเป็นเราก็ทําไปแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นเราก็ไม่ต้องทําควรจะไปทํากับที่เขาจําเป็นที่เขาเดือดร้อนถ้าวัดมีมากมายพอแล้วเหลือเฟือแล้วเราก็ไปทํา กับที่ที่เขาเดือดร้อนทำกับโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนทำกับสาธารณสถานต่างๆเพื่อให้สังคมนั้นอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้ายังอยากจะมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมและมาทำบุญก็ทำได้ผู้ที่รับคือพระถ้าท่านเป็นพระที่ไม่มีความโลก เงินทองที่ได้รับมาท่านก็จะเอาไปทำประโยชน์ให้แก่เราแทนเช่นไปช่วยสร้างโรงพยาบาลช่วยซื้ อ, อช่วยซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลต่างๆบา ง, างทีเราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเราก็ไปทำบุญกับพระสององค์เจ้าที่ท่านทำเรื่องราวเหล่านี้ช่วยเหลือสังคมด้วยวิทย ด้วยวิธีต่างๆเราก็จะได้บินและจะได้ของแถมด้วยก็คือได้ฟังเทศฟังธรรมและอาจจะได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเราก็จะปิดประตูอบายเราไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปไม่ว่าเราจะเคยทำบาปมามากน้อยเพียงไร เวลาเราตายไปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ได้จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปและพบชาติเจ็ดชาติที่จะต้องกลับมาเกิดนี้ ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ไม่เป็นปัญหาหต่อไปเพราะพระโสดาบันนี้มีธรรมะอยู่ในใจแล้วมีแผนที่ติดไปกับตัวแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาบอกทางก็ไม่หลงทางแล้วเพราะรู้จักทางแล้วว่าทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือการทำบุญล้างบาปการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เอง นี่คืออานิสงส์ที่จะได้รับจากการได้ทำบุญกับพระที่มีคุณธรรมสูงเช่นพระพุทธเจ้าและพระอหรหันต์ทั้งหลายถ้าเลือกได้ก็ควรจะก็ควรจะทำกับพระเหล่านี้ด้วยแล้วก็ทากับผู้อื่นด้วยไม่ยาทำกับพระอหรหันต์นอกบ้านอย่างเดียวเพราะเรายังมีพระอหรหันต์ในบ้านอยู่ด้วย พระอาหารหันในบ้านก็คือพ่อแม่ของเรานี่เองเราต้องทำหลายๆที่หลายๆแห่งอย่าเอาแต่พระอาหารหันนอกบ้านอย่างเดียวพระอาหารหันในบ้านก็ต้องคอยดูแลหรือคนธรรมดาหรือแม้แต่เดรัจฉานเราก็ต้องดูแลถ้าเขาเดือดร้อนเช่นสุนัขในบ้านเราเราก็ต้องเลี้ยงเขาหรือถ้าเราออกไปเห็นสุนัขจรจัด ถ้าไม่มีอะไรกินก็ควรที่จะเรียนเขาเช่นเดียวกันอย่าเอาแต่ทำ บ, บุญกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์เพียงอย่างเดียว <Yeah. S 1> เราต้องมองโลกให้กว้างหลังที่พรเจ้าทรงสอนให้เราแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาคำว่าสัพเพก็แปลว่าทั้งหลายสัพเพสัตตก็หมายถึงสัตว์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายที่เรามารับรู้ ถ้าเขาเดือดร้อนเราก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้เขาช่วยเหลือเขาตามกำลังของเราแต่อย่าไปอยากช่วยเหลือจนเกินกำลังความสามารถของเราเพราะถ้าอยากทำแล้วไม่ได้ทาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างนี้ก็กะแทนที่จะท ำ, ทำบุญแล้วได้ความสุขใจกับทำบุญแล้วได้ความทุกข์ใจทำแบบนี้ก็ไม่ถูกทำมากทำเกินฐานะ เราต้องทำตามฐานะของเราหรือคนที่เราต้องการช่วยเหลือถ้าไม่อยู่ในฐานะที่เราจะช่วยเหลือเขาได้เราก็อย่าไปทุกข์กับเขาเช่นเขาไม่สบายเราหาหมอหายามารักษาแต่หมอก็บอกว่ารักษาไม่หายจะ ต, ต้องตายไปในเวลาอันใกล้นี้เราก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขาต้องทำใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราทำเต็มที่แล้ว แต่มันเป็นวาระของบุญของบาปเขาที่จะทำให้เขาจะต้องเป็นอะไรต่อไปเราก็ต้องอย่ามาเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจหรือโทษตัวเองว่าทำไม่ได้เพราะนี่มันเป็นความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นการคิดสร้างความทุกข์ให้กับเราไปเปล่าๆเราต้องยอมรับความจริงว่าทุกคนคือร่างกายของพวกเราทุกคนนั้น เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปด้วยกันทุกคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ขอให้เราดูแลกันช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ก็แล้กันและเราจะมีความสุขและจะไม่มีความทุกข์ใจนี่คือคาสอนของพระุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราพยายามทำกัน พอเป็นการสร้างความสุขสร้างความเจริญเป็นการตัดความทุกข์ตัดความเสื่อมเสียให้หมดไปจากชีวิตของเรานั่นเองถ้าท่านทั้งหลายปฏิบัติได้รับรองได้ว่าจะมีแต่ความสุขและความเจริญตามมาและจะพบกับการสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดในลำดับต่อไปอย่างแน่นอน